6. อัญญาตกะวินยติสิกขาบท 29. ถามทรงบัญญัตินิสักคียะปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ออกปากขอจีวรจากขรือหัดชายหรือขรือหัดหญิงผู้ไม่ใช่ญาติณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารกใครตอบ ทรงปรารบท่านพระอุปนันทะสักยบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทะสากยบุตรออกปากขอจีวรจากบุตรเศรษฐีผู้ไม่ใช่ญาติในอัญญาตกะวินยติสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทรฐานเกิดด้วยสมุทรฐาน 6. สมุทฐาน